พระธรรมเทศนาแผ่นที่71ดลำดับที่6โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่3ตุลาคม2557มีชื่อเรื่องว่าทำได้ไม่เหลือวิสัยลองเพลงซอยห่แต่แต่เมื่อนี้สมชใช่ไงวะ มันผลที่ตกบุหงลองเพลงทีไรก็มีแต่เอาตะกอนเก่าวะ่ะพ่อป่านบังไฟพญานาคบังไฟพญานาคจูดมาสักปีสักปีก็พ่อโจโลโจโลเนี่ยวะ่ะบอกคือบอกพัฒนาคือบังไฟญี่ปุ่นวะ่ะบังไฟญี่ปุ่นเน่ยพัฒนาแตกเป็นดอกเป็นดวงวะ่ะ อันนี้สมชัยลองเพ่งให้กันนะลองมาเนะี่ยใจสะโซเกาใช่ไหมแต่กระบบนเนี่ยใหกันนะความหมายมันอาจจะเป็นคำอื่นก็ได้เพราะเราไม่รู้ภาษามันใช่ไหมละ่ะพวกคูบาพวกคุบาทั้งหลายช่วยๆกันดูนะกระถินนะฝึกซ้อมกระถินมันช่วงใกล้ๆกล่ะ ผู้ที่มีส่วนซักซ้อมกรถิ่นกนัซ้อมกรถินไว้องค์ไหนองค์ศวดองค์ไหนอุปโลกและก็พร้อมกันก็นันดประชุมพระใหม่ซ้อมประวัลนาออกพรรษาด้วยพูดเรียงตัวเลยตั้งแต่พระใหม่ตั้งแต่พวกไหนไม่เคยผ่านพรรษา ให้ท่องปวารณาองค์ที่ไม่ได้ปวารณามีกี่องค์สององค์ฮะอันนี้ก็ให้เรียนที่บอกปริสุทธิปริสุทธโทอ่างพันเตต้องท่องให้ได้วันโหมสถที่จะถึงเป็นวันปวนารณาออกพรรษาเพราะนั้นจะให้ขาดตกบกป้องพวกกูบา หลุดพี่ทั้งหลายแหละต้องช่วยช่วยกันดูให้ได้ป ร, ประกปวารณาออกพรรษาถ้าใครปรวารณาออกพรรษาไม่ได้คําปวารณาไม่ให้ออกพรรษานะให้ออกพรรษาหน้าแต่เ้ยนโมคุบาทั้งหลายวันนี้ก็มีพระทั้งหมดสามรูปนะลงมาฉันสาห ชั้นสองรควันเนี้เมื่อเนี่ลงพอสันจงหันแล้วก็จะรีบออกไปทุรนะน่ะลูกร้านนะลงกรุงเทพก็นอนคืนหนึ่งนะ่ะแล้วก็มืออื่นก็กลับมาละวันที่ยี่สิบวันที่สี่วันที่สี่กลับวันที่ห้ามอบรถแอมโบูลนขันเครื่องบินบโบต ก, ก่อนป่ะขันเครื่องบินโต๊ะ ก, กแ็แล้วนี่ปรมาณแล้วว่ะ <laughs> ภายศิลประกันไดา้าโลกมันเป็นอนิี้อางทั้งมัดนะวันนี้เป็นวันที่สามตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดช่วงนี้เป็นช่วงที่พวกพระทั้งหลายก็ควรจะเตรียมพร้อมพอวันที่แปด เป็นวันประวารณาออกพรรษาแล้วก็วันที่สิบสองตุลาเป็นวันกะถิ่นของพวกเราทั้งในครว ก, ก็ดีทั้งข้างนอกก็ดีทั้งข้างในพระสงฆ์ก็ดีสิ่งไหนที่เคยหลวงพ่อเคยบอกกล่าวแนะนำก็ให้ช่วยๆกันดูเป็นหูเป็นตาแต่ถึงยังไงหลวงพ่อก็ยังเน้นหนักเรื่องน้า น้ำอย่างไงประตูน้ํอย่างไงเปิดอย่างไงใช้อย่างไงอันนี้คอยช่วยๆกันสอนกันบอกกันให้รู้ได้หลายองค์ด้วยองค์ไหนที่จะดูแลในเรื่องนี้อย่างน้อยสักสามองค์นั้นสี่องค์เพื่อคู่คนมาถ้ามีปัญหาก็าจะได้ไปดูจัดการได้ไม่ใช่รู้รู้องค์เดียวถ้าองค์นั้นไม่อยู่ ก็มีปัญหาขึ้นมาก็ไม่รู้จะตามหาที่ไหนสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายให้รอบคอบนะแต่หลวงพ่อเน้นเรื่องน้ําแต่เรื่องไฟก็ยังเป็นรองอยู่แต่ไฟก็สําคัญเวลาคนหมูมากคนหมูมากเข้ามาทํำยังไงถ้าไม่มีไฟก็ต้องไฟก็จําเป็นสําคัญเหมือนกันแต่เครื่องทําไฟเราพร้อมไม้ทุกสิ่งทุกอย่าง ช่วยๆกันดูสรุปแล้วแบ่งงานกันพอมันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆคนเดียวจะรับรับไหวหรือขนาดหลวงพ่อขนาดหลวงพ่อสู้เจ้าหลวงพ่อยังยักรับไม่ไหวยังแบ่งให้สู้เจ้าแบ่งให้สู้เจ้ารับหน้าที่แต่ว่าสู้เจ้ารับหน้าที่ยังรับยังไม่ได้หะไม่รู้จักแบ่งกันอีกขาดตกบกพร่องอีกนั่นแหละ จะต้องไล่เลียงเป็นทีละองค์เด็นะี่ยทำไมทําไมมันขาดเรือขาดตกที่ตรงไหนต้องหาจุดเด็ดเนะี่หาเหตุหาเหตุที่ควาหาเหตุความบกพร่องมันบกพร่องที่ตรงไหนทําไมจึงบกพร่องเพราะเหตุไรมันจะต้องช่วยกันดูเพราะนั้นอันนี้หลวงพอมีแต่ให้แนวความคิดช่วยกันดูแลดูแลเนอะเรื่องน้ําเรื่องไฟคนมามาก แล้วก็ทำความสะอาดที่พักพ้าอาศัยพอไม่ไม่กี่วันนะแต่ใกล้ๆมาอย่างปลุบปลุก ป, ป, ปรับยังค่อยมาจัดมาดูมาแลนะเดี๋ยวก็ทะเลาะกันได้ไง่ายๆพอมันช่วงใกล้เราต้องทำแต่เนิ่นๆทางในครัวก็เหมือนกันทำความสะอาดอันไหนบ้างที่ขาดเหลือขาดตกกระบอกมาช่วงที่จำเป็น ในครัวอันนั้นคือกลุ่มหลักที่ต้อนรับครับสู้อาหารการบริโภคสําหรับผู้คนที่มาเกี่ยวข้องจุดนั้นก็จําเป็นอย่างที่เขาพูดนะกองทัพต้องไปด้วยท้องกองทัพ ต, ต้องเดินต้องมีอาหารต้องไปด้วยอาหาร กองทัพต้องไปด้วยท้องถ้าท้องมันหิวแล้วเดินไม่ได้นี้่เหมือนกันนะวัดวาศาสนาก็เหมือนกันช่วยๆกันดูนะพวกเราทุกๆท่านไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่หน้าที่ของหลวงพ่อนะถ้าหาว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นหน้าที่คนคนเดียวรับทั้งหมดเนี่ยหลวงพ่อจะไล่สู้ออกทั้งวัดทุกคนหลวงพ่อจะอยู่คนเดียววะ่ะเออ อันนี้คืหลวงพ่อคิดว่าพวกเราท่านทั้งหลายมาอยู่ด้วยกันต่างคนก็ต่างช่วยกันคิดช่วยกันทําช่วยกันจัดการคนละหน้าที่กันงานทุกอย่างถ้ามีความพร้อมเพียงสามัคคีกันแล้วใหญ่ก็เป็นเล็กถ้าหากว่าตามงานทำงานไม่ประสานกันไม่สามัคคีกันเล็กก็เป็นใหญ่ก็เพราะเหตุไรเพราะว่า นะทำไปนองระทิทธทางทําไม่รู้จักจบอีกต่างหากเพราะนั่นสิ่งเหล่านี้อย่าได้มีในวงการพระพุทธศาสนาในวงการพระสงฆ์ของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการพระกรรมฐานอย่างพวกเราเนี่ยมีอะไรอย่างไรต้องเคียงบ่าเคียงไหล่กันช่วยกันการจัดงานให้สําเร็จในเมื่อ มันเรียบร้อยแล้วกันนะ่ะสบายสบายใจสบายในการเป็นอยู่ของพวกเราภาวนาก็ไปได้ไม่ขาดตกบกพร่องแต่ถ้าว่าพวกเราทำอะไรมันมีปัญหาทางด้านจิตใจก็มีปัญหาเหมือนกันนะถ้าการอยู่ด้วยกันหลวงพ่อบู๊ดพูดเลยเลยว่าสัปปายะนะ เ, เสนาสะนะสัพพายะนี่ที่อยู่เป็นที่สบายอาหารสัพพายะอาหารการบริโภคไม่ฝืดเคืองเป็นที่สบายอุตตุสัพพายะอากาศเป็นที่สบายปุคระสัพพายะบุคคลที่อยู่ด้วยกันเป็นที่สบายคือไม่ทะเลาะวาแว้งกันไม่แล้วแวงแคลงใจกัน ไม่ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันการอยู่ด้วยกันแต่หลวงพ่อว่าสัปพายะทั้งหลายที่พพูดพูดมาหลวงพ่อเน้นหนักเลยว่าปุคระสัปพายะบุคคลเป็นที่สบายอันนี้หลวงพ่อว่าเลิศเออเป็นเป็นใหญ่กว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าหากว่าอยู่ด้วยกันไม่ไว้ใจกันแล้วจะมาปฏิบัติภาวนา หลวงพ่อว่าอยากนะคล้าๆว่าจิตใจแต่มันดิ่งไปเออหรือว่าโกรธกันหรือพยาบาทกันเนี่แหละคราๆว่าใจมันออกไปทางนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วจะมาภาวนาทำจิตใจให้สงบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยพูดง่ายๆ อ, อันนี้ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังพวกเราเให้สังเกตดูนะเพราะนั้น เรื่องทั้งหลายทั้งปวงเราจะอยู่โชวฟ้าดินสลายไหมเราจะตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเคอได้ไมาต้องตัดทางท้านจิตใจถ้าไม่ตัดทางอื่นไปเห็นหมาก็โกรธให้หมาไปเห็นลิงก็โกรธให้ลิงไปเห็นขี้ก็คือเห็นคางคกก็โกรธให้คางคก อ, อถ้าทําอย่างนั้นเลยทําไงไปเห็นตุ๊กแกก็กลัวตุ๊กแกโกรธให้ตุ๊กแ ก, ก, แกแะะอย่างนั้นแล้วจะไปยังไง ไปที่ไหนไม่รอดนะเพราะนั้นสัพพสัตทั้งหลายในโลกนะั้นเกิดมาในโลกนะเราก็เป็นสัพรพสัตเหมือนกันต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างให้อภัยกันอยากจะให้มันถูกใจเราทุกอย่างเป็นไปไม่ได้ในโลกนะเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอ ย, าอยู่ด้วยกันให้อภัยกันนะดีที่สุดมีเมตตาต่อกันดีที่สุดให้รู้จักสถานะเขาให้รู้จักสถานะเรา เราเขาให้อภัยกันถ้าให้อภัยกันนั่นแหละแต่ถ้าหากว่าเขามันเกินไปเราจะทําไงหลวงพ่ออ้อาวเขาทำเกินไปเนาะมันมีกฎหมายเอากฎหมายพูดกันอันนั้นเ็เมตตาเหมือนกันดาเนินตามกฎหมายแต่ก็ย้า้มันเกินไป ถ, ถึงจะใช้กฎหมายก็ใช้ด้วยความเมตตา ไม่ใช่ใช้ด้วยความพยาบาทอาฆาตจองเวรกันไม่ใช่อย่างนั้นถึงจะใช้กฎหมายแต่จริงอยู่แต่ว่าก็ต้องมีเมตตาเป็นพื้นฐานถ้าคนมีเมตตาจะทำอะไรลงไปมันจะไม่สุดโตง่งแต่ถ้าทำด้วยความพยาบาทอาฆาตจองเวร น, นั่นแปลว่าสุดโตง่งเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกหมู่ทุกเหล่า คือเป็นผู้ใหญ่ตัวไปภายภาคหน้าอันนี้ต้องคิดไว้ในใจคือความเมตตาเนี่ยเป็นหลักทางคนมีที่มีเมตตาแล้วอยู่นัชสถานที่ใดไปนสถานที่ใดอยู่ในชุมชนกลุ่มใดด้วยมากกับมีแต่ไว้เนื้อเชื่อใจกันความร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั่นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการอยู่ด้วยกันไม่ถึงร้อยปีอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดแล้วพูดอีกออต่างคนก็ต่างมาเจอกัน เจอ ก, กันจุดไหนที่เป็นคุณงามความดีควรจะเอาคุณงามความดีเข้ามาหากันเข้ามาอวดกันเข้าม า, าประสานส ม, มัคคีกันเอาความดีสิ่งที่มันไม่ดีเอาไว้ก่อนอย่าทําอย่าคิดอย่าพูดมีเมตตาต่อกันทุกคนเนี่ยอันนี้คือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาดีนั่นคืออะไร ในหลักธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าดีนั่นคือศีลห้าเนี่ยแหละศีลห้าเนะ่ยเป็นพื้นฐานปูพื้นฐานศนะีลห้าถ้าผู้ใดมีศีลห้าไปในชุมชนกลุ่มใดบุคคลใดบุคคล น, นั้นแหะเป็นคนดีพระพุทธเจ้ารับรองอีกต่างหากว่าคนที่มีศีลห้าปิดบา ย, ยภูมิไม่ตกนรกไม่เกิดเป็นสัตวยรชานไม่เป็นเปรตมีแต่ไปสู่มนุษย์มนุษย์ที่สมบูรณ์ ไปจากนั้นก็ไปสู่สวรรค์ถ้าว่าคนที่มีศีลห้าถ้าคนไม่มีศีลห้าไม่รับรองในการเป็นอยู่ของเขาเพราะอย่างน้อยก็ทามีอารมณ์โมโหโกธาขึ้นมากจะฆ่าใครก็ได้หรือว่าจะขโมยใครก็ได้อย่างนี้เป็นต้นแต่คนมีศีลห้าจะไม่ทำสิ่งที่มัน มันไม่ดีที่ว่าเขาเราไปฆ่าเขาแต่เป็นยังไงเขามาฆ่าเราไปขโมยเขาเขามาขโมยของเราเราไม่เคารพสิทธิ์ในสามีภรรยาเขาเขาไม่เคารพในสิทธิในสามีภรรยาของเราเราไปโกหกเขาเขามาโกหกเรานะสรุปแล้วก็คือสินห้าของพระพุทธเจ้าเขาเราเขาเรานะถ้าเราไปโกหกเขาเออ เขาเสียใจใช่ไหมถ้าเขามาโกหกเราละ่ะเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเพราะเขามาโกหกโกหกโกห ก, โกหกเขาเนี่มันไม่ใช่ธรรมดานะลูกหลานนะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเสียเหลี่ยมของเขาเพราะโกหกของเขาบางคนก็เจ๊งกับโกกับความโกหกของคนอื่นเขาเนี่แหละอันนี้แหละคือสินแล้วก็ข้อที่ห้าเนี่ยเป็นข้อที่สาคัญ ข้อหนึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับใครหรอกสินห้านมันมีแต่ตัวเองดื่มเข้าไปดื่มของมึนเมาเข้าไปอยาเสพติดเสพเข้าไปสุราดื่มเข้าไปพอดื่มเข้าไปแล้วมันขาดสติพอขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างทเลยเพราะมันคนขาดสติมันเป็นบ้านคนที่เป็นบ้านเห็นไหมคนที่เป็นบ้านในถนนถ้ามีถือมีดถืออะไร ถือค้อนตะพดเนี่ยมันน่ากลัวยิ่งกว่าอะไรพราะคนขาดทติไม่รู้มันจะทํำยังไงไม่รู้มันจะเวงอะไรไม่รู้มันจะทําร้ายทําลายใครนี้ก็เหมือนกันคนที่ขาดทัตติทําความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ตลาบระรวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะฉะนั้นศินข้อที่ห้านี่เป็นศินที่ครอบงาําศินทั้งสี่ข้อ เพราะนั้นให้พวกเราใช้ปัญญากันกรองไตรตรองดูสิอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยจิงไหมถ้าเขาเราไปฆ่าเขาล่ะเขามาฆ่าเราล่ะสมมติว่าเราไปฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเขา mm. เขาเสียใจถ้าเขามาฆ่าพ่อแม่พี่น้องของเราล่ะเป็นยังไงเสียใจนี่แหละสินของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้เนี่ยสินคุ้มของโลกจริงๆทำให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขจริง จากนั้นก็เรื่องสมาธิแนวความคิดทางด้านจิตใจคิดยังไงจึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดยังไงจะเป็นมิจฉาทิฏฐินี่แหละเรื่องสมาธิะ แ, แต่ไหนะแต่จะทาตามปกตินะี่ถ้าเราปล่อยธรรมดาคิดไปมันก็เป็นสัญญาและสังขารปรุงแต่งไปพระนพพุทธเจ้าท่านให้หยุดกับที่ซะก่อนยังค่อยคิดนะจะทายังไงหยุดจิตหยุดใจหยุดแนวความคิดนะ จะทำยังไงวิธีการหยุดนพระพุทธเจ้าว่าให้มีสมาธิสมาธิาธนั้นทําอย่างไรกําหนดลมหายใจเข้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านจัตรสรูทททท้ที่โคนต้นโพทันว่าเราเนี่ยจะทําสมาธิกําหนดลมหายใจหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออก ถ้าเราจะเปรียบเทียบที่พระพุทธเจ้าตร kind of ัสก <that> ็เหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเรายืนอยู่ข้างประตูเวลาคนเข้ามาเราก็รู้ว่าคนเข้ามาศาลาเวลาคนออกไปเราก็รู้ว่าคนออกไปนอกศาลาแต่ไม่ต้องตามลมออกไปและไม่ต้องตามลมไม่ต้องตามคนเข้ามาในศาลาเราจะรู้ว่าคนเข้ามาแล้วก็คนออกไปเรายืนอยู่ข้างประตู นี่ก็เหมือนกันเรากำหนดลมหายใจเข้า เ, เหมือนกับเราอยู่ที่ปลายจมกูกลมกระทบที่ไหนแต่บางคนหายใจตั้งแต่เกิดมาจนถึงปานนี้ลหละพบไม่เคยกำหนดลมขนาดลมหายใจเข้าออกก็ยังไม่รู้มันกระทบที่ไหนเราต้องหายใจแรงๆดูใชหายใจแรงๆสืบหายใจเขา้าพดแล้วก็หายใจแรงๆกระแทก สักสองสามสี่ห้าครั้งเราจะรู้ได้ว่าลมกระทบที่ไหนมันลมกระทบเนี่ยเอาสติจับอยู่ตรงนั้นน่าแล้วก็ผ่อนหายใจตามปกติไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องแล้วก็ไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกเพียงแต่ให้ลมรั่วลมเข้ารั่วลมออกเนี่ยเป็นการฝึกสติเนี่ยเรื่องสมาธิที่ฝึกเนี่ยฝึกอย่างนี้ฝึกสมาธิในเมื่อจิตใจของเราไม่คิดออกไปข้างนอก ไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตใจของเราอยู่ที่ปลายจมูกตอนนั้นจุดจุดที่นั่นดูอยู่ที่นั่ น, น, นมีสตินะต่อไปก็จิตของเราก็จะรวมเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมเป็นหนึ่งจิตใจที่ไม่หิวไม่หวยจิตใจที่ไม่พวักพวบนจิตใจไม่ทุลนทุลายจิตใจเน่งพอจิตใจเน่งนะจะนำมาวิเคราะห์เรื่องอะไร ใช้ปัญญาวิเคราะห์เรื่องอะไรก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเป็นปัญญาที่กันกรองไต่ตองด้วยเหตุและผลได้เพราะเหตุไรเพราะใจของเราไม่เต็มไปด้วยสัญญาและสังขารแต่พวกเราด้สถ้าไม่เชื่อหลวงพ่อให้คนคีดเหล้าคิดด้วยซคนที่มันกินเหล้าเมาน่มันจะคิดยังไงมันคิดไม่ออกออเพราะมันสมองมันปั่นป่วน หรือให้บ้าคิดเนี่ยคนที่เป็นประสาทคิดมันก็คิดไม่ออกเหมือนกันถ้าสมาธิคิดแหละให้รวมจิตเป็นสมาธิซะก่อนให้คิดนะพอจิตใจนิ่งแล้วก็คิดนะนี่แหละอันนี้ว่าในหลักในหลักของพระพุทธศาสนาภาวนาเมาย์ปัญญานะปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบซะก่อนจิตใจให้นิ่งซะก่อนแล้ว จิตใจผ่านความนิ่งผ่านความสงบมาแล้วนั้นนํามาพิจารณาการคองไตรตรองเหตุและผลก็เป็นปัญญาหรือ ว, ว่าเห็นเป็นเหตุผลชัดเจนในการพิจารณาเรื่องนั้นๆจนถึงว่าตัดกิเลสราคะโทสะโมหะ อ, อกจา ก, ก จ, จิตใจได้ก็ต้องนี่นะภาวนามยปัญญานะปัญญาเกิดจากการภาวนาทาจิตใจให้สงบเป็นพื้นฐาน จากนั้นก็ น, นำมาพิจารณาแต่ใจของเราถ้ามีแต่สัญญากับสังขารธรรมดาคิดปรุงธรรมดาคิดคิดธรรมดามันไม่ไมพอกํำลังไม่พอท่านว่ากํำลังไม่พอต้องจิตที่ผ่านสมาธิซะก่อนให้จิตหนึ่งซะก่อนอเมื่อจิตหนึ่งมันเป็นหนึ่งเดียวนะ่ยพิจารณาอะไรก็เป็นเหตุเป็นผล อ, อย่างที่หลวงพ่อเปรียบเทียบ ว, ว่านี่นะ เขาจะตัดแผ่นเหล็กเขาใช้แก๊สกับใช้ไฟใช้ลมใช้ลมใช้แก๊สแล้วก็ใช้ไฟไฟแก๊สกับไฟมันติดกันลมเป็นเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตัวดันพักดันออกไปจากนั้นเขาหลีหัวให้มันแก๊สทําเป็นหนึ่งเดียวมันเล็กถ้ามันผ่ามัจะไ ม, ไม่ขาดนะตัดเด็กไม่ขาด เออถ้ามันจอลงไปให้มันเล็กๆขนาดแหวนแผ่นเหล็กห น, า, นาเนียเออมันจะขาดทะลุได้เออดูให้สังเกตดูอันนั้นแหละคือหนึ่งเดียวจิตที่เป็นสมาธิของลักษณะอย่างนั้นนะจิตที่เป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วนํามาพิจารณาการกลองไต่ตรองเรื่องอะไรก็เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเหตุเป็นผลเพราะอะไรเพราะจิตที่เป็นสมาธิดีจิตเป็นหนึ่งเดียวถ้าจิต ปุ่ฟุงซ่านเราจะนำมาพิจารณาอะไรมันมันตัดสินใจไม่ได้ทั้งหมดะนั้งขอให้พวกเรานะเรื่องสมาธิเป็นจริงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอย่างอย่างมากสําหรับนักปฏิบัติทั้งหลายแต่ในหลักธรรมคำสอนก่อนเรื่องทานเรื่องศีลอันนั้นท่า น, นสอนทั่ ว, วไปแต่เรื่องภาวนาเจิตตภาวนานที่สอนพระสงฆ์ผู้เข้ามาปฏิบัติหรือ ศรัทธาญาติโยมผู้ที่ใยใจใยใจเพื่อการปฏิบัติท่านก็สอนพระในศรัทธาญาติโยมในครั้งพุทธกาลโดยมากพระโสดาบันอยู่กับญาติโยมเยอะแต่จะถึงขั้นพระอรหันต์นั้นน้อยไม่เหมือนพระเพราะพระเน่ยตัดตั ด, ตดเรื่องทางโลกออกมาแล้วกับนี่แหละมามุ่งมั่นต่อฝ่ายธรรมะจากนั้นก็ฝึกฝนเรื่องจิตใจ พระสงฆ์นี่โดยมากจะได้ทางไปทางมัดทางมรรคทางผลแต่ศรัทธาญาติโยมก็มีอยู่น้อยต้องมีอุปนิสัยเก่าแก่ที่บําเพ็ญมาในอดีตชาติมาชาตินี้แหละก็เป็นว่าเต็มเปี่ยมจากนั้นบําเพ็ญก็ได้สําเร็จมรรคสำเร็จผลแต่ถ้าว่าพวกพระสงฆ์ก็เหมือนกันก็บําเพ็ญมาอยู่แต่ยังขาดขา ด, ขาดตกตกและพ่องๆ่อ ง, องแต่พอมาชาตินี้แหละบำเพ็ญ ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความตั้งใจจากนั้นก็ได้สําเร็จมากสําเร็จผลในพระพุทธศาสนามี ม, มากในครั้งพุทธกาลเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเรื่องทานเรื่องศีลศีลก็จําเป็นเนีย่ยไปมองข้ามไม่ได้ถ้าคนไปทําความชั่วมายกหยกจะมานั่งภาวนาวพวกเราคิดดูสิมันวิตกพวกวิตกกลางบนปุ่งฟุ้งซ่านไปหมดไม่อยู่กับเนื้อ ก, กับตัวในสติ เพราะคนไม่มีศีลศีลนีส่น ส, ำนสำคัญจเป็นสําคัญถ้าคนมีศีลดีแล้วกายวาจาของเราไม่มีโทษแล้วใจของเราใจกายวาจาของเราไม่มีไม่มีโทษไม่มีเรื่องราวเราก็มานั่งภาวนาใจของเราจะเข้าสู่ความสงบได้แต่ถ้าว่าการกระทําของเราศีลของเราขาดตกปกพ่องไปฆ่าเข้ามาไปขโมยเข้ามาไปผิดลูกเมียเข้ามา ไปโกหกเขามาไปกินเหล้ามาแล้วจะมานั่งภาวนาพวกเราคิดดูมันจะสงบได้มมันสงบไม่ได้ไปผิดศีลมาแต่ถ้าเราเป็นผู้มีศีบลบริบูรณ์แล้วนะทั้งห้าข้อแล้วนะมองดูการกระทำมองดูกายวาจาของตนเองเรียบร้อยไม่มีอะไรไม่มีโทษเราไหว้พระเสร็จแล้วก็นั่งภาวนา ใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเพราะอะไรเพราะสินคุ้มครองศินเป็นรั้วสาหรับปกป้องตัวของเราสรุปแล้วก็คือเนี่ยเรื่องหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่อพูดเบื้องต้นการเป็นอยู่ด้วยกันอันนั้นเรื่องของศิลนะแล้วก็ต่อมาก็พูดเรื่องทําจิตใจให้สงบอันนี้เรื่องสมาธิ แล้วก็เมื่อมีสักิตที่เป็นสมาธิแล้วนำมาพิจนารณากันกลองไตรตองเรื่องต่างๆอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เรา ว, ว่าวิปัสสนาวิปัสสนาปัญญาเนี่ยหลักธรรมคำสอนของพุทธเจ้าถ้าจะว่าไปถ้าจยนย่นย่อดนก็น้อยเดียวนะไม่มากแต่ว่าวิธีการกระทำนยมันยากนิดนึงมันพูดหรพูดง่าย วิธีเอา้าหาเงินเถ่ะนะก็พูดไนดะ้ก็หาเงินมันพูดได้หาเงินแต่วิธีการหาแล้วทำยังไงมันไม่ใช่ของง่ายในะการหานะอันนี้ก็เหมือนกันหาธรรมเราก็พูดง่ายแต่จะเดินจะไงจึงจะได้ทำมานะมันเป็นเรื่องของจะต้องใช้สติต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความบารมีต่างหากนะไม่ใช่ไป ปรับมาจะได้ทีเดียวก็ไม่ใช่นะในหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านบําเพ็ญมาเท่าไหร่สี่อสงไขยกาไรแสนมหากรัมมากขนาดไหนท่านจึงได้ตัดรู้เพราะฉะนั้นพวกเรานะโอ้ยอย่างไงกับพวกเราก็ไม่ได้หรอกถ้าไม่ได้ถ้าเราไม่ทํามันก็ยิ่งห่างเหมือนเขาจะเดินทางถูกไปกรุงเทพ ถ้าเราอยู่เฉยๆล้หันหลังให้อย่างเยิ่งไกลเลแต่ทั้งยังไงถ้าเรามีความพยายามจะเดินทางไปถึงกรุงเทพถึงมักถึงผลอยู่นแล้วก็ก้าวไปก้าวหนึ่งก็ดีกว่าไม่ก้าวต่อไปก็ก้าวไปเรื่อยเรื่อยเออมันก็ใกล้ไปเรื่อยใกล้กรุงเทพไปเรื่อยนแต่ถ้าเราไม่ก้าวเนี่ยทยังไงมันก็ไม่ถึงนี้ก็เหมือนการ น, นั้นการบำเพ็ญทานศีลภาวนาปฏิบัติธรรมให้พวกเราถึงยังไงก็พยายามประกอบคุณงามความดี ปราถนาขอให้ข้าไปเจ้าพ้นทุกถึงพระนิพพานจะได้มาเวียนว่ายตายเกิดในใจของเราเราพยายามเดินไปจุดนั้นเลยนี่แหละอันนี้ก็คือทุกวิญญาณทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายมีโอกาสที่จะพ้นทุกได้ทุกวิญญาณแต่ว่ามันจะมากน้อยมากน้อยแค่ไหนอันนี้มัน ฟังฟังดูแล้วในพระไตรปิฎก ท, ท่านพูดท่าฟังนู้เหมือนเหมือนกับเราจะสุดเอื้อเหมือนกันนะแต่ถึงยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เหลือวิสัยเดินได้นี่แหละทางเดินคือมักแ8ดนี่แนหะสมาธิิเป็นเบื้องตน้นสมาสมาธิเป็นปริโยสารเป็นสุดท้ายไม่เหนือจากนี้นะเพราะในใพวกเราเดินดนะเดินดูนะเดินดูบำเพ็ญดูอ ตามไปจีงดูแล้วโลกอนนี้มันน่าเบื่อจริงๆนะเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายแอ้ตอนที่ตายเนี่ยนะมันทนทุกข์ทรมานเหลือเกินชักดิน่นชักงอไม่มีใครช่วยใครได้ในช่วงนั้นนี่แหละเกิดมาพบหน้าก็ตายอีกเกิดมาปวดหน้าก็ตายอีกมันน่าเบื่อนะแต่คนเราเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดนั้นมันก็เลยยังยังคิดไม่ถึงแต่เห็นถ้าคนอื่น แต่พอมาเจอเข้ า, ขากับตัวเองเท่านั้นนะมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะเรื่องมรณะภัยนะตอนนี้ไปรับพรในตอนตนี้อนุโมทนาให้พร